จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กันยายนพุทธศักราช5 5 7เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ ให้เห็นได้ด้วยตนเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่ความแน่นยำความถูกต้องของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป เพราะเป็นความจริงที่เป็นอมตะผู้ใดที่มีความเชื่อแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็จะได้รับผลที่ดีที่ต้องการก็คือความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปตามลาดับและความห่างไกล จากความทุกข์ต่างๆจนหมดไปในที่สุดได้ตามลำดับเช่นเดียวกันอยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนถ้ามีความเชื่อก็จะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามแล้วผลต่างๆก็จะเกิดตามมาแต่ผลที่พวกเราจะได้รับ จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นผลภายในไม่ใช่เป็นผลภายนอกผลภายในคืออะไรความสุขใจที่จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ใจที่จะมีน้อยลงไปตามลำดับความจเจริญของใจจะสูงขึ้นไปตามลำดับ นี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาหวังผลจากภายนอกผลภายนอกเราก็อาจจะผิดหวังได้เพราะเราทำดีไม่ทำชั่วเราลดละความโลภความโกรธความหลงของเราให้น้อยลงไป แต่เราไม่รวยขึ้นเราไม่เจริญก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่การงานเราไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอเราไม่มีรูปเสียงกลินลดชนิดต่างๆให้เราได้เสกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจาก การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เป็นผลภายในเรียกว่าทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์คือใจเราจะมีความสุขมากขึ้นความสุขที่ได้รับก็เทียบเท่ากับความสุขที่ได้รับจากการได้เจริญราบยศสรรเสริญนี่เอง เพียงแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่ว่ามันถาวรมันไม่หมดไปเหมือนกับความสุขภายนอกความสุขภายนอกที่เราได้รับจากการเจริญราบยศสรรเสริญมันเสื่อมหมดไปได้ทั้งขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือในขณะที่เราต้องจากร่างกายนี้ไป พอเราจากร่างกายนี้ไปความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุพพะก็จะหายไปหมดแต่ความสุขทางใจนี้ไม่หายเพราะความสุขของทางใจนี้อยู่ติดกับใจเป็นเหมือนเงาตามตัวใจไปความสุขในใจนี้แหละความเจริญในใจนี้แหละที่ชี้ชะตา ของพพชาติของเราในอนาคตว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราก็จะได้เป็นเทวดาถ้าเราเป็นเทวดาชาติหน้าเราก็จะได้เป็นพรหมถ้าเราเป็นพรหมชาติหน้าเราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระสุปฏิปันโน เป็นพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจของเราเจริญแบบนี้ได้ต่อให้เราร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตาม เราจะไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นพรหมไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าถ้าเราไม่ทตาตามคำสอนของ พ, พ่อพรธเจ้าต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหากษัตร์มหาจากักรพรรดิเราก็จะไม่ได้ผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของ พ, พ่อพรธเจ้า นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้บวชเสด็จออกบวชเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เวลาที่ประสูติมาใหม่พระราชวิดาได้ให้โหรมาทำนายดูชะตาอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่าจะไปทางไหนจะเจ ร, ริญรุ่งเรืองไปทางไหน ก็มีการทำนายไว้สองทางด้วยกันว่าถ้าอยู่เป็นขารวา่าเป็นผู้ครองเรือนก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าเสด็จออกบวชก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดหลังจากที่ได้สงพิจารณาเห็น ผลที่จะได้รับจากการเป็นมหาจากักรพรรดิและการเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี้ดีกว่าการเป็นมหาจากักรพรรดิเพราะการเป็นมหาจากักรพรรดนี้ก็เป็นได้ชั่วคราวเป็นชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปความเป็นมหาจากักรพรรดิก็สูญหมดไป แต่การเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างถาวรเป็นอย่างไม่มีวันเสือ่อมแม้ร่างกายนี้จะตายไปแต่ใจที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นต่อไปเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นสิ่งที่ต้องตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงเห็น ความสำคัญของจิตใจมากกว่าความสำคัญของร่างกายจึงไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผ่านทางร่างกายคือการหาลาบรถสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิก้นกายแต่กลับมาหาความสุขความเจริญทางจิตใจด้วยการทำบุญ ด้วยการละบาทด้วยการชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปจากจิตจากใจผู้ใดสามารถปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้ผู้นั้นก็จะได้เป็นพระอารหันต์จะเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระอารหันตสาวกก็ขึ้นอยู่กับ ความรู้ที่ได้รับว่ารู้ด้วยตนเองหรือรู้จากผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านศึกษาด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้ท่านจึงต้องค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองพอได้เป็นท่านจึงเรียกตนเองว่า พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสู้ด้วยชอบโดยชอบด้วยพระโอเมนส่วนพระอาหารหันต์สาวกนี้เป็นผู้ที่ตัดสู้ด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟัง ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้สาวกก็คือนักเรียนนี่เองนักเรียนต้องไปโรงเรียนต้องไปศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะถ้าอยู่บ้านนี้ไม่สามารถสอนตัวเองให้จบปริญญาให้เป็นหมอให้เป็นแพทย์ให้เป็นวิศวกรให้เป็นอะไรต่างๆได้เพราะไม่มีความสามารถ พอที่จะสอนตนเองได้พวกเราจึงต้องไปโรงเรียนกันเพื่อเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ฉันใดพระสาวกก็เช่นกันพระสาวกก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ตนเองได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ให้เป็นพระอรหันต์ได้จึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้โลกเป็นที่พึ่งก่อน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเลยแม้แต่เพียงรูปเดียวเพราะไม่มีใครที่จะสามารถสอนตนเองให้เป็นพระอาหารหันได้นั่นเองต้องรอพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคโชน มาอย่างเต็มเปลี่ยนจึงมีบารมีที่จะสามารถสอนตนเองให้ได้เป็นพระอาหารหันตะสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าได้พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้โลกเป็นที่พึ่งแล้วพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนาเอาไปปฏิบัติก็สามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันตัดสาโลกได้กันเป็นจำนวนมากนี่แหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าโลกนี้จะไม่มีพระอาหารหันต์แต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระอาหารหันต์กันเกลื่อนไปทุกยุคทุกสมัยมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้สั่งไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าทำที่ตถาคตตัดไว้ชอบเแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเธอพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาปราศจากครูปราศจากอาจารย์ เหมือนกับตอนที่ตถาคตมีชีวิตอยู่เลยเพราะคาสอนทุกคําสอนก็ออกมาจากใจของตถาคตเองเป็นคําสอนที่ตถาคตใช้สอนอยู่มาตลอดเวลาถ้าใครเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเหมือนกับนักศึกษาที่ไปศึกษาจากมหาวิทยาลัย ถ้าน้อมเอาคำสอนของอาจารย์มาศึกษามาท่องจํามาปฏิบัติก็สามารถนำเอาความรู้นี้ไปทำมาหากินได้เรียนแพทย์ก็สามารถไปรักษาคนไข้ได้เรียนวิศวกรรมก็สามารถไปสร้างตึกสร้างรถสร้างถนนสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างๆได้ฉันใด ถ้านำเอาคำสอนของพรอพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้ามาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องอปกปิดทำให้ไม่สามารถบรรลุเป็นพออะระอรหันต์ได้ พอชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะกลายเป็นผ้าอาหารขึ้นมา ท, ทันทีนี่แหละเป็นสวากขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วถูกทั้งเหตุถูกทั้งผลเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทําเหตุแล้วผลมันตามมาเองไม่ต้องไปเรียกร้องผลไม่ต้องอธิษฐาน ไม่ต้องขอผลเพราะขอไม่ได้ทำเหตุแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเองอยู่ที่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เหตุเรียนจบปริญญาได้เพราะเหตุคือไปเรียนไปเข้าห้องเรียนไปจ่ายค่าเล่าเรียนทําการบ้านสอบไม่ตกผลก็จะได้ปริญญาปริญญานี้ไม่ได้เกิดจากการมานั่ง อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายแต่ไม่มีเหตุไม่ไปเรียนมีแต่ไปเที่ยวไม่ทำการบ้างไม่เข้าห้องเรียนเวลาสอบสอบก็ตกแล้วจะเอาปริญญามาจากที่ไหนนี่แหละคือเรื่องของเหตุถ้ามีการทำบุญมีการลา บ, บาตมีการชําราจใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องมีมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมา ต้องมีสวรรค์ชั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นพรหมชั้นต่างๆเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆหรือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นต่างๆเหมือนกันมนุษย์เราก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกันขอทานก็ชั้นหนึ่งคนธรรมดาก็ชั้นหนึ่งคนร่ำรวยก็ชั้นหนึ่งคนมหาเศรษฐีก็อชั้นหนึ่ง คนอาภิมาหาเศรษฐีก็อีกชั้นหนึ่งของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเหตุที่ทาบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เทนั้นผลที่ได้รับจากการทาบุญชำระบาปกำจัดกิเลสถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีที่สวยงามกับเดิมแต่ไม่รวยรวยไม่รวยนี้ไม่แน่อาจจะรวยก็ได้ถ้าทาบุญมากๆอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนเป็นพระเวชสันดรก็ทาบุญบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างมากมายพอตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นราชโอรส เป็นเจ้าชายสิทธัตถ ะ, ะก็ร่ำรวยร่ำรวยด้วยผลบุญคือทานที่ได้ทำไว้แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปบางครั้งอาจจะไม่รวยก็ได้เพราะบารมียังไม่แก่กล้าพอเหมือนปลูกข้าวข้าวยังไม่สุกยังไม่ออกรวงก็ยังไม่ได้ผลก็มีอยู่แต่ การกลับมาเกิดแต่มนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาดีขึ้นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นอายุยืนยาวนานขึ้นมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์มีสติปัญญาฉลาดแหลมคมมีฐานะการเงินการทองที่ดีขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่จะได้รับจากการ ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้เกิดเป็นเทวดาก็จะเป็นเทวดาสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าได้เกิดเป็นพรหมก็จะได้เป็นพรหมสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าได้เกิดเป็นพระอริยเจ้าก็จะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือการขั้นพระอรหันตสาวกนี่เอง อยู่ที่การทาเหตุไม่ได้อยู่ที่การนั่งรอผลนั่งรอไปจนวันตายอีกหลายภพหลายชาติก็จะไม่มีวันได้ผลแต่ถ้าทำตามเหตุตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระพุทธเจ้ารับประกันเลยว่าได้ผลภายในเจดวันเป็นอย่างถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เป็นเจ็ดเดือน ถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็เป็นเจดปีเป็นอย่างมากจะต้องได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์อย่างแน่นอนนี่คือรับประกันของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มีผู้น้อมนำเอาไปพิสูจน์ก็ปรากฏเป็นพาาาระอรหันต์กันขึ้นมาการเป็นจำนวนมากลางองค์ก็เสร็จสำเร็จเป็นพาาาระอรหันต์ก่อนเจดวันก็มีหลังเจดวันก็มีก่อนเจดเดือนก็มี หลังเจ็ดเดือนก็มีก่อนเจดปีก็มีหลังเจ็ดปีก็มีอันนี้อยู่ที่ความขยันมากน้อยถ้าขยันมากก็จะเสร็จเร็วถ้าขยันน้อยก็จะเสร็จช้าเหมือนกับเวลาที่เราทำงานถ้าเราต้องตักน้ำใส่ตุ่มถ้าเราตักวันละขันนี้มันอีกหลายวันเดือนหนึ่งไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าถ้าเราตัก หนึ่งชั่วโมงแบบไม่หยุดเดี๋ยวเดียวก็เต็มตุ่เช่นเดียวกับการปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเราทำบุญอย่างต่อเนื่องทำทุกวันทาความดีทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราละบาปทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราตัดกิเลสตัดกิตัณหาตัดโมหะอวิชชาทุกลมหายใจเข้าออก เจ็ดวันนี้ก็ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทาของเราเท่านั้นเพราะทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วคำสอนคือทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปก็มีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปหรือไม่เขาตัดทางให้เราแล้วมีถน น, นแล้วแต่ถ้าเราเป็นแบบกระตาย บางวันก็ขยนันบางวันก็ขี้เกียจไม่เหมือนกับเต่าเต่าเขาถึงแม้เขาจะเดินช้าแต่เขาเดินไม่หยุดเขาเดินของเขาไปเรื่อยๆแล้วผลที่ในที่สุดใครไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือเต่านี่แหละไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะเดินไม่หยุดส่วนกระต่ายทำไมไปไม่ถึงเพราะเดินแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็วิ่ง ในที่สุดก็ไปไม่ถึงจดหมายปลายทางหรือไปถึงก็ช้ากว่าตายดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างแน่นอนขอให้เราจเจริญเหตุอย่างแน่นอนเถิดคือทำเหตุให้เต็มที่ทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจะทำถึงจะหยุดได้ถ้าเรายังมีเงินทำบุญอยู่หยุดทำไม่ได้นอกจากเงินที่เราต้องเก็บเอาไว้ สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูชีวิตของเราอันนี้เราต้องเก็บเอาไว้แต่ส่วนเกินนี้ถ้ายังมีเหลืออยู่มากน้อยต้องทำให้หมดนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสดะั่นสะละราชสมบัตนะิต้องทำอย่างนั้นมีอะไรเท่าไหร่อย่อยากเก็บเอาไว้เงินทองนี้เป็นเหมือนสมอเรือเรือนี้จะออกเดินทางไปไหนมาไหนได้ เรือต้องถอนสมอก่อนถ้าไม่ถอนสมอวิ่งไปไม่ได้ฉันใดเงินทองนี้ก็เป็นเหมือนสมอของการเจริญของจิตใจจิตใจจะสจริญก้าวหน้าไปได้ต้องสละทรัพย์ก่อนสละเงินทองไม่งั้นออกบวชไม่ได้คนที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นี้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้น เพราะถ้ายัางเป็นคารวะนี้จะไม่มีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันจะต้องไปทํางานทําการเสร็จแล้วก็ต้องไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้วันเวลาที่จะมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนานี้แทบจะไม่มีเลยเมื่อไม่มีเวลาสร้างเหตุแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผลมันเกิดจากเหตุ ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลได้ความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความดับทุกข์ที่ถาวรเราต้องมาสร้างเหตุทางใจกันอย่าไปเสียเวลากับการสร้างเหตุทางร่างกายเพราะว่าเป็นผลชั่วคราว ได้เงินทองมามากน้อยตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปตาแหน่งที่ได้มาสูงกันขนาดไหนตายไปคนอื่นเขาก็มาแทนที่ไปแต่ตำแหน่งที่เราได้ภายในใจคือเป็นพระอารหรนันต์นี้ไม่มีใครมาแทนไม่มีใครเอาไปได้ความสุขของพระอารหันต์คือปรมังสุขขังก็ไม่มีใครเอาไปได้การสิ้นสุด ของการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีใครเอาไปได้เป็นของเราตลอดเวลานี่แหละคือความแตกตา่างระหว่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในแตกต่างระหว่างความสุขภายนอกกับความสุขภายในระหว่างความเจริญภายนอกกับความเจริญภายในความเจริญภายนอกเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้ว นี่อายุก็มาครึ่งคนกันแล้วหรือใกล้ที่จะถึงโรงกันแล้วอพอถึงโรงแล้วหมดแล้วเงินทองมีเท่าไหร่เป็นของอื่นคนอื่นไปหมดตําแหน่งก็เป็นของคนอื่นฉันรอเสริญเยือนยอก็ไม่มีใครสรรเสริญแล้วหลังจากที่ตายไปความสุขที่ได้ทางตาหูจมูกลิน้นกายก็หมดไปเพราะไม่มีตาหูจมูกลิน้นกาย ให้เสด็ความสุขได้ต่อไปถ้าถ้าไม่มีความสุขภายในใจจะไปแบบไหนก็ไปแบบขอทานที่พวกเราทำบุญแล้วอุทิศบุญกันนี้อุทิศให้ใครก็อุทิศให้พวกขอทานนี่พวกที่ไปแล้วไม่มีทรัพย์ติดตัวไปเพราะว่าเวลาอยู่ไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำละกิเลสตัณหานั่นเอง ตายไปเลยต้องมาคอยรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่บุญที่เขาส่งไปให้ก็เป็นเหเงินที่เราให้ขอทานนี่เองเราจะไม่ให้เงินขอทานมากจนเกินไปเพราะเรากลัวว่าเขาจะเอาไปใช้ในทางที่เสียหายได้ชั้นใดผู้ที่ตายไปแล้วแล้วกลายเป็นเปรกก็จะได้รับส่วนบุญเล็กๆน้อยๆ เช่นญาติโยมวันนี้ทำบุญร้อยบาทก็จะแบ่งไปได้เพียงบาทเดียวท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าบุญที่เราทำนี่เหมือนน้ำเต็มแก้วแต่บุญที่เราอุทิศนี้เป็นเหมือนเศษน้ำที่ติดอยู่ข้างในแก้วนั่นแหละคือบุญที่ผู้ที่โล่งรับไปแล้วที่มารอรับส่ว น, นึุญก็ไม่ได้ความสุขอะไรมากมายเพียงแต่ว่าดีกว่าไม่มีเลยเหมือนกับขอทาน ดีกว่าไม่ได้เงินเลยแม้จะเป็นเงินบาทห้าบาทสิบบาทมันก็ยังพอไปซื้ออะไรมากินได้ฉันใดถ้าพวกเราไม่อยากที่จะต้องไปเกิดไปเป็นขอทานขอให้พวกเราหมั่นทําตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนเถิดเพราะนี่เป็นความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะว่าพวกเรายังตาบอดตาบอดภายใน มองไม่เห็นโลกทิศมองไม่เห็นเวลาที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปอย่างไรจะไปเป็นอะไรมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้จึงนํามาสอนพวกเราเพื่อให้เราจะได้ไปสู่สุคติกันไปเกิดในที่ดีกันไม่ให้ไปอบายกันด้วยการทําบุญละบาปละชําระกิเลส ต, ตัณหาให้หมดไปจากใจ นี่แหละคือเหตุแล้วผลต่างๆจะตามมาอย่างแน่นอนอย่างที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระอาลานตาเสาทั้งหลายมาแล้วเกิดจากเหตุที่ท่านได้ปฏิบัติกันพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติเหตุผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ว่าขยันมากหรือขยันน้อยเท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดมาสร้างเหตุที่ดีเพื่อให้เกิดผลที่ดีคือความสุขความเจริญทางจิตใจให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสิรรัตนตรยัย